บคฉันก็ เราต้องเชื่อแล้วทำลงไปทําไปแลเชื่อการกระทำทำให้มันเห็นเห็นอย่างไรงานชีวิตตรงนี้มีอะไรมีความไม่เที่ยงโล ก, ก็ไม่เที่ยงไหนชยมยเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยง รูปนี่ก็ไม่ใช่ตัวตนเวทนานี้ก็ไม่ใช่ตัวตนสัญญาก็ไม่ใช่ตัวตนสัมคานก็ไม่ใช่ตัวตนวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตนที่เราใช้ยอยู่นี่เราไม่สุขไม่ทุกข์เราไม่ตัวไม่ตนมันก็เลยมีปัญหามีตนอยู่ในตนมีตนอยู่ในความไม่เที่ยง มีตนอยู่ในควงมไม่ใช่ตัวตนอนนี้เราจะทําอย่างไรมีศรัทธาตรงนี้หรือไม่เชื่อตรงนี้หรือไม่ถ้าเราหมดต่ศรัทธาลื่นไม่ทำความอน่างนี้แฉมแช่เมื่อ ม, ม, มันไม่เที่ยงอย่างนี้เมื่อมันไม่ใช่ตัวตัวนี้จะไปเกี่ยวข้องกับมันอย่างไร ทำไมจึงในความพอใจไว่พอใจทำไมจึงในความโกรธความโยภความหลงตูวเด็กความมาเที่ยงอยู่ในกวามมาใช่ตัวตนทำไมจะเล่ารีลาดการทำไมไปเบียดเบียนกันไม่น่าจะไปถึงตนมาเออเห็นวันมาเที่ยงเห็นมาใช่ตัวตนเจินใช่กวามมาเที่ยงใช่กวามมาใช่ตัวตนเพื่อให้ทําความดี พุ่งเกิดมา่เกิดผล ข, ขึ Kang, Denmark, bag, California, California, ้นมาจนไม่มีตัวมีตนอยู่ในกวมไม่เที่ยงไม่มีตัวไม่ตนอยู่ในกวามไม่ใช่ตัวตนเดี๋ยวนี้เราไม่ความมตัวมีตนอยู่ในกวมไม่เที่ยงในความไม่ใช่ตัวตนก็ไม่ศรัทธาตัวนี้ไม่ไป้ทำให้แกี่แย่ถ้าทําตัวนี้แกี่ยงแย้งน่าจะไปดัน ไม่ยากอาศัยความไม่เที่ยงเป็นพระนิพพานได้เลยอาศัยความไม่เช่ตัวตนเป็นพระนิพพานได้เลยหายตัวได้เลยหรือศูนย์ได้เลยจนไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรกับความไม่เที่ยงไม่เป็นอะไรกับความไม่เช่ตัวตน มีอะไรต่อไปมีเมตตากรุณาเมื่อเห็นมันเป็นอย่างนี้ในโลกนี้มีเมตตาครุณานุชิตาอุเตขาเขียวข้องกับทุกอย่างในโลกไม่มีความขัดเข้าได้ทุกอย่างในคนที่มันหลงในความเมตตากรุณาต่อ คนตัวทุกสรจพสิ่งยังเม่ทำมีความดีไปเกี่ยวข้องกับความ่เที่ยงหรือมีความดีสักสี่อย่างไปเกี่ยวข้องความไม่ใช่ตัวตนจะได้เกิดประโยชน์จริงๆนะในโลกนี้เมือ่อคนดะช้ก็จะตื่นเต้น เมื่อหมาลาไม้ ก, ก็จะตื่นเต็มกับผู้ที่เห็นจริงในอย่างนี้ขึ้นมาศัาลย์สิ่ง <c oughs> ก็จะสู่ธรรมาชาติทั้งหมดยิ่งใหญ่นะถ้าเราเห็นแจ้งเรื่องนี้เราแต่็มรื่องเมตต า, าก็าจะเกี่ยวจะเกี่ยวกักกบบททุกอย่างในโลกเนี่ยนี่คนเราแท้แทนะ้น่ะ ชีวิตก็อยู่ด้ยกันเถอแทะู้หัวผัวเมียพ่อแม่ลูก้าเพื่อนบ้านทำไมจะไปทำให้กันเดือดร้อนน่าจะสงสารความไม่เที่ยงของเขาน่าสงสารกบต่างถูกสงสารก็ต้องช่วยเหลือหน้าที่จริงๆช่วยเหลือแล้วก็ไม่หวังอะไรตอบแขนด้วยความเสียสละ เมื่อช่วยมาได้ก็ว่าต้องช่วยเสียก่อนทำเสียก่อนอะไรที่เรจะให้เขาไม่ลงในความเปรี้ยงง่้ยเขาไม่หลงในความเป็นทุกทําำลงไปจนจดความสามารถแล้วก็เมื่อไม่ได้แล้วค่อยวางวางก็ไม่ใช่วางด้วยมันคืการวางชั่ จริงแล้วนะหวางใจทำกายทำคำพูดทำใจไปด้วยรู้สึกอบอวลใจแต่ยังไม่ทิ้งยังไม่ทิ้งการกระทำยังไม่ทอดถิ่งยังทั้งโย่แต่ใจหวางแล้วแล้วตรงไหนหวานรู้หวานไ ห, นห แต่ก่อนแ ล, แล้วก็วางอื่นได้ง่ายลูปนี่ไม่มาเชื่องเวทนาไม่เที่ยงรูกไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนวาหมดละเมื่อวางแล้วก็งานการงานหมดที่จะเกิดขึ้นแล้วปะเยอะแยะไปเลยรวามเชื่อมารมอื่นพร้อมที่จะกระตุนอิจะช่วยผลเดินเป็ น, น, น, นพระเจ้าของเราเนะี่ย ขนขวยมากทีเดียวเราทงทุกอย่างแล้วแก่พวกเธอทั้งหลงทงทุกอย่างเพื่อประยนุน์เพื่อเกื้อกูลไม่มีตรงไหนที่ปิดบังอันพาเหรือแต่พวกเธอตอนนั้นเองที่จะต้องทำแล้วผมบอกแล้วบอกแล้ว แต่ว่าการกระทำแต่หน้าที่ของพกเธอทั้งหลายเราได้ทํำมาที่หมดแล้วเนวลาใดเราหลแสดงว่าไม่ได้ทาตามที่เจ้าบอกไปเวลาใดเราโกรธไม่ได้ทําตามเวลาใดเราทุกเราไม่ได้ทําตามแต่รู้ว่าโกรธมัไม่ดียังโกรธคนอยู่ ไม่ได้ทำตามทุกมันไม่ดียังมีทุกอยู่ไม่ได้ทําตามเบียดเบียนตนเองเบียเดีนคนอื่นที่ทํำให้ตนเองเป็นทุกทำให้คนอื่นเป็นทุกเราไม่ได้ทําตามไหนมันต้องยากจงไม่เบียดเบียนกันกไม่เบียดเบียนตนเองการไม่เบียดเบียนคนอื่น มันยากกว่าการเบียดเปียนไม่ยากน่าจะวางหรอกนะฮะอ๋อสายกรมไอเที่ยงตนที่ทิ้งตัวตนอ๋อสายกรมไอเที่ตัวตนเป็นที่ทิ้งตัวตนลงไปจริงที่มันเบียดเปียนน่ะน้ํายอดกัน้ําฝนเนื้อมันเหนียม มันมาให้คุณให้ประโยชน์มันมีโทษมันให้คุณด้วยในตัวเราก็เช่นกันในคนเดินก็เช่นเดียวกันในตัวเราก็มีความไปเที่ยมในคนเด่นก็มีความไปเที่ยมในตัวเราก็มีความไม่ใช่ตัวตนในคนเด่นก็มีความไม่ใช่ตัวตน เกณฑ์ท่ว่บความเท็ความเกิงฝืนไม่ได้ฟืนโกก็ามาฝืนทุกข์ก็ม่ได้ยึดมั่นถือนนมั่นจนเอาตัวตรงไ ป, ปวัดไปเหยียกับคนอื่นมีตัวมีตนขัดขวางการขวงนั่งของนม่ไปแม้แต่ความเห็น ทะเลาะกันทั้งบ้านทั้ง้านในความเห็นที่ไม่เหตุผลมันก็มันไม่ใช่สัจธรรมทะเลาะกันโดยไม่ใช่สัจธรรมความเห็นยังมีความเฉยเฉยยังไม่มีวัตถุอะไรเกิดขึ้นก็ทะเลาะกันแล้วถ้าเห็นไม่ตรงกัน มันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันเป็นความเห็นเฉยๆแต่ว่าเมตตาคนหนามุทิตาเบิขา <c oughs> เกี่ยวข้องกับความเห็นที่แตกต่างกันอย่างเป็นเมตตายังมีเกาหนามีมีมุทิตามีเบกขาอยู่ไม่ไมเเ่เลือกที่เลือกทางทำเนะี่ย ความดีที่เราจะเกี่ยวข้องอันความดีสี่ลักษณะแนีไม่เหื่แห่เกี่ยวข้องกับทุกอย่างในโลกจึงน่าจะล่เปรียบนี่ว่าหากรุณาที่คุยไม่มีขอบเขตคนขั่วก็ขวงกันคุณธรรมเหล่านี้ที่เราต้องใช้กับคนขั่วไม่ได้ คนดีก็ข่มขันที่เราจะจะมาห้ามให้เราทำควมดีกับคนเชื่ขก็ไม่ได้อลไรที่มันเป็นไม่ดีไว่แต่เลือกทั้มีแต่ทั้เท่านั้นที่จะไปเกี่ยวข้องกับสิงต่างต่างมาทั้งหมดพร้อมดีคนที่เป็นคนดีก็ยังมีเมตตาคนละสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดี สิ่งที่เป็นสิ่งที่ม่ดีก็มีเมตตาคนหนาจะทำสิ่งที่ไม่ดีให้มันดีขึ้นมาสิ่งที่มันดีแล้วก็จใจมันดีต่อไปนะควาดีอย่างนี้ไม่สิ้นเปลืองเราคืออะไรเราไม่เป็นอะไรเกี่ยวกับเราเราไม่เป็นอะไรอยู่แล้วยิ่งน่าจะทำอะไรที่มีเป็นความ ถกความต้องได้ทุกอย่างเพราะเราไม่เป็นอะไรไม่ใช่ว่าอัตตาตัวตนตอ <c oughs> นนี้เป็นเม็ดของเราเพราะนั่นเป็นจัตโตของเราภาวะเช่นนี้ไม่มีในชีวิตเราเมื่อเราไม่เป็นอะไรกับอะไรตอนนี้เป็นคนดีเราก็ไมได่ดีของเขา อนาดีไปคนไม่ดีเราก็ไม่ได้ไม่ดีกับเขาป๋อมีทุกเราก็ไม่ทุกกับเขาป๋อมีสุกเราก็ไม่สุกกับเขาเราไม่เป็นอะไรกับตัวเราอยู่แล้วเราจะต้องเป็นอะไรกับคนอื่นเชิงอื่นวัตถุอื่นเราังเป็นลักษณอย่างไรมานไม่เป็นอะไรกับอะไรไหมอ่ะมันยิ่งใหญ่เหลือเกินในชีวิตของเราที่ อ๋อใสข้อวัดปฏิบัติ <c oughs> ตามพระธรรมของโซนยิ่อย่างนะอยู่กับลูกเลยก็ว่าได้ภาษาอะไรก็เกิดความแก่ความแก่คงตายฉะนแต่ว่าแล้วละภาษาอะไรความหลงความโกรธความรู้ความทุกข์ความพอใจความไม่พอใจ มันเป็นสิ่งที่มั น, น่าเสียเวลากับสิ่งเหล่านี้วิธีที่เราจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้คือปรมาานนะมัาสรเนี่ยนี้ไม่รอดหลบจะเป็นอาจารย์ครูอาจารย์ที่ไหนข้อตามก็ไม่มีกรรมฐาน ทำไม่สำเร็จก็มาถามทืออะไรมันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงคู้เจี่วความหลงนี่คือกรรมฐานศักดิ์สิทธิ์มากได้หลงเป็นหลงมมนจะเป็นหกหหนเดินพราบิดบาใช่ไหมสีนอยะแล้วก็เรายังไม่ ลูกศิษเป็นตอนพันเป็นวิปัจนาจารย์อย่างให้ประเทศค่ะลูกศิษย์ฝนตกเห็นแห่นเก่งมากหากมา เม็นตัวอานไลน์เขียวๆนั่งอยู่บนเตียงมาเตียง่าเลยหักลงมานิปัสสนาอาจารย์ใหญเออนะัทพัทพระอินตัวเขียวๆ เ, เป็นพระอินถ้า ต, ตัวแดงๆเป็นเทวาตาถ้าที่พระอินมาสนใจพวกเราพวกเราคนเราทำสมาธิ พะอินทรตัวชเขีย ว, วถูกแกเป็นอาจารย์ใหญ่ขนาดไหนยังไม่ก็เหม้นแบบนั้นแกเราก็เชื่อขู่ก็ชรู้จักพระอินพระพรรู้จักเทวดาแกเป่าพัดเตยดามาเป่า มาตกแต่หลังโก่งๆเพือหลวงพ่อใหญ่ของมั น, น่ะไหลเอียงๆ <c oughs> ว่าปฏิบัติธรรมไปเลยเทวดามาแต่งให้หมดแล้วอาจารย์เดี๋ยวนี้หลังไม่โก่มไหลก็เสมอกันแล้วผมพิจารณาพิจุรณาอย่างไรผมโอเชนได้ ถูกใส่คอเสาแขนลงมาต้องเดินจนกลเดินกับไฟเอาไหล่นี้ถูกเส้นได้เดินกินมาไหล่นี้ก็ถูกเส้นได้กับแสดงว่ามันเสือกันแล้วเทวดามาแต่เห็นความเห็นแต่ เ, เราดูก็คอยด ย, ยังเอียงอยู่บนเนื้อ กุปทาเกิดขึ้นสามการตันหมายเวลานี่กิวอนผมผ ม, มเป็นโดบัวหมดเลยผมริ้งไปก็ตามเป็นโดบัวหมดเลยผมเดินไปตรงไหนโดบัวยกดลองล้อม <c oughs> จุกเข้าวแล้วก็ยังเห็นกิวอนเหมือนกิวรไม่เห็นโดบัวที่ไหน ที่มันเป็นจริงอย่างไรเอาอะไรมาคูดที่เป็นนอกไปจากความมาเที่ยงความม่ใช่ตัวตนเอารูปเนี่ยเอาเนี้ิตอะไรเป็นเรื่องผิดเรถูกบงชื่อลงไปคุณนั้นที่ทําให้เราเป็นพระอินไม่มีเลยยิ่งใหญ่ไม่มีเลยชีวิตเราวันหลงรถใหญ่ขวบกองหลงไม่ได้เลยอินอย่างเนี้กลงหลงทำแล้วม่ได้ อ๋ไความหลงความโกรธมีเทวดาหหรืออ๋อเสดก็ยินอ๋เสถเทวดาที่เป็นอยู่ข้างนอกมานั่งอยู่จริงไมนาะเทพรานในหัวใจเราไม่ม yeah ีเรยกพระยินในหัวใจเราไม่มีเลยในวิตเาเนี <ôi> ่ยเราไม่เป็นอะไรเนี่ยใหญ่ไหมเนี่ยเราตรรับาเราได้ไหมอ๋อเทวดาก็ยินมันตัวเฉียวอยู่บนจริงไหม เทวดาตัวแดงแดงาเสกมาปุ่งมาจันได้จนหลงก็หลุดได้ประโยชน์อะไรถ้าเราไม่ละอา่อยความชั่วไม่ก็พูดความชั่วไม่ก็คิดในความชั่วไม่ก็ทำความชั่วเป็นเทวดาแบบนี้ไม่ได้คุณนั้นทำเทวธรรมจะเป็นพระอินทร์พระพรหมอะไรก็เทวธรรม พนะงงนออมสีน้าจะทำไงจะนอนทางไหนชีจจยนยนอนทางไหนก็ทับจมูกหายเชียไม่ไดถ้ามีสีน้าจรทับจมูกหายเชไปได้ทับปะหมายเชไปได้สีน้าคือเมตตาุนทมุขคิตาเปี่ยขาไม่ได้นะมหมดเลยเออผมอย่างนี้จะช่วยกันได้ไ มีธรรมทั้งหมดเป็นธรรมมีอยู่ที่ไหนมีในชีวิตของเราที่เป็นรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเมตตาคุณอรรมเมตตาเาตถาเกิดขึ้นบนที่รูปที่นามเนี่ยที่กายที่ใจของมนุษย์เนี่ยจะมีแต่ธรรมทั้งเทศขั้มจูนโลก แต่ว่าอุเปคขาในฌานกับอุเปคขาในป ม, มิพานต่างกันนะโอเปคขาในฌานคือไม่เป็นอะไรกับอะไรเพราะได้ทมทุกอย่างแล้วยังสามารถไม่เป็นอะไรกับอะไรในชีวิตเหล่านี้ไม่ใช่ไปเกี่ยวข้อมูลอื่นนะ อุเบกขาในฌานเป็นส่วนตัวนะอุเบกขาในภพอาหารต้องเป็นส่วนรวมเป็นไม่ดตินม่เห็นไม่ชายต้นมากเราไม่าาละสงขาดแทนไม่ได้ขาดให้ตาคนหนาไม่ตาอุเกขาาสมก็จัหนอแทนแผ่นดินก็จะเกิดไปม่อะไรกันขาดไม่ได้ ไม่ตาขนามแต่ตาเปกขแต่อุเปกขาในฌานเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นไม่เป็นอะไรฉันเห็นไม่เต็นสุขไม่เป็นทกุกไม่ต่างดีแคไม่ได้เสียใจไม่ได้เป็นอะไรที่เกี่ยวกับลูกกับกังเป็นส่วนตัวเท่านี้เอขาในฌาน จึงมีเลวะวองไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีอ่เบกขามีสติแล้วแรยอยู่โอ้ควรเกิดเป็นอย่างนี้มันผ่านเลยมาผ่านจากอะไรที่มันมาเต็มตัวเนี่ยมันก็มีทางผ่านผ่านหลงเป็นรูป ผ่านโทดเป็นรูปผ่านทุกเป็นรูปผ่านอะไรต่างๆที่มันไม่ใช่ตัวรูปผ่านมาตลอดจนเป็นแสงมันวัยกันไปเนหะมือนกับตุ๊กกาบาหล่นมาจากอวกาศสีสีทุบโลกมันเป็นแสงว่าดาวหยาดดาวตกมันวัยจะมันแสง เพราะวแสงนี่มันไวกว่เสียงจิตมาไวๆไว้วรูปฝึกนะไม่ช่วยเจความรู้ความไม่ถึงความกดความไม่ถึ ง, งความทุกข์ความไม่ถึงไอ้สติที่มันเห็นเห็นนี่ไม่ได้อกแต่แต่เป็นหมดแหละจนนะ ต, นต่อพูดเวานตอนเช้าตอนเทื เป็นี่ภาพขอบจน้าเป็นสับภายในไม่ร่ำรวยสักทีเลเธอป็นเป็นชุกจนสับภายในเป็นทุกเป็นสับพายในเป็นผิดเป็นถูกเป็นได้เป็นเสียอยู่ไม่มีสับภายในเป็นผู้ดีใจเป็นผู้เสียใจเป็นผู้ชอบเป็นผู้ไม่ชอบ เป็นความโจรในสับภายในเรีว่าอริยซับโจร น, นะไม่ร่ำรวยเชะนทด่เถ้าเห็นเนี่ย เ, ออเจ็บทำแล้วเห็นมันหลงเห็นหลงไม่จนไม่เป็นผู้หลงคนเจาะอวามหลงซับภายในมีได้แบบนี้เราใช่ซับภายในกันอย่างไร เหมือนซับไ์นอกสร่ยสุรายไปเป็นอะไรลนะสรสุล้วน ะ, นะแตเห็นเนี่ยมันมั น, มนไยัดซับไพน์นถ้าเป็นอนะมันสรยสุรแต่ซไพนนอกไม่ก็สุรุสุอะไรก็ซื้ออะไรก็เอาหมด ก็ซื้อมาสูบเราก็ซื้อมาจินเที่ยวเตลเล่ด้วกลคืนเป็นเห็ดก้างเวเป็นแมวเป็นนกเข้าอะไรพวกเติที่ไหนไปที่นั่นดินสีที่ปูที่ไหนไปที่นั่นเพลนที่ไหนไปที่นั่นล้อมที่ไหนไปที่นั่นเล่นที่ไหนไปที่นั่นไอ้วาสรุสลอดกลคืนไม่ได้รับไปนอนจริงนเกลือ อ่ไม uh, ่มีโอกาสเลรวยกินผมผมผมตกหกกินเท่าไรก็อลงเท่านั้นันคะตอน้นก็ไม่เลารวยจะเกิดหอน้ำมีมากแต่เหลือไม่มี ขาอกตาล่องเพมเนคนที่นไม่งานวิจกรรมสวนป่าไม่เคยงานวิจิตึงนเงือนโดนที่หนึ่กสูงอยู่ลยคนที่ไม่เคยผูกในกผูกในดาคนที่ไม่เคยตั้งกินเล่าก็แกงกินเล่าแตงตัวเลย ประมาก็สอนเด็กเก็ยเงมาแลไม่เท่าไรหลือกินหน่อยเงินหมดเสนเชื่อสิ่งอื่ไปเหลือเท่าไรายรับไม่ดีเท่าไรเหลือกินหมดกินห่อยเงินหมดเสนเชื่อสิ่งอไปเหลือจดเชยยอเกใช้จ่ายย้กรเป็นนันคือรายเหลือ จำเป็นมันคือลายเหลืออันลายล้บมันมีประโยชน์ทลดอดทั้งไม่มีลายเหลือหลายเหลือมันจริงจะเป็นประโยชน์ <c oughs> อั่นช่วยชุลใจไม่ไม่จะลจเลยแต่เดินก็สักสิ่งเงินทองจนสักภายในหรือักภายในขอเหมือนเหมือนกันเป็นสุขจ น, นยาว เป็นทุกข์จนแล้วเป็นกูพอใจกูไม่พอใจกูชอบกูไม่ชอบอ่าคนนั้นไม่ร่ำรวยสักทีหรอกปฏิวันิธรรมเขาไม่ก้าวหน้ารวเจ้าบอกตรงนงอยู่แล้ ว, ว, เ, เ, ว, เ, ลลวเป็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์คนจับทุกข์อะไรก็ต่ออยากเป็นเห็นมัน เป็นการค้นจกกคนที่เป็นอาจจะร่ำรวยไม่ไม่ไม่นาเท่าไหร่ไม่เยอะครับภายในอาวียารัพย์ภายในน ะ, ะนก็สมบูรณ์ที่สุดเลยขอสักวิธีเราทำวัดสวดมนเพื่อการนี้าทิบัตรธรรมที่เราอายุออ่อเงว่าจะเรือนมาเพื่อการนี้โดยตรง เก็บกล้องเมาให้ได้มันไม่ใช่อยู่ที่ไหนไม่มีการไม่มีเวลาเป็นเวลาที่มันโมที่สุดชอบที่สุดอยู่โดยชอบโดยทุกปินาทีคิดเหล่านี้นะถ้าเราไม่มีหลักก็อยู่โดยชอบไปได้หรอแม่จะอยู่พระเจ้าก็ยังไม่รู้อะไรหรอก หลักคือกรรมถามเนี่นยเกิไหมสิตทักทักคนหาหกปีต้อหมดทุกอย่างไม่มีใครจะบิมเหมือนได้ขนรุมขนหลุหมดตอนลมหายใจไม่เชิงข้าไม่เิงน้ำนอนเสียงนอนหนาวมะไรจอะไรไม่ดี สมหจนมาหปีมาทำผู้แขนเขา้าเกีรยรแข่นอกปฏิเสธจ้หนี้ว เ, เรานะวนเกณนหนกก็คงได้ทาผู้แขนเขา้ารู้สึกเกียรแขกรู้สึกเนี่ยเราทอย่างนี้หาเป็นคนคิดมาแต่มีคนคิดเอาทำหลักที่มาทกัน <c oughs> แล้งจะน้ำเกือเนี่ยผู้เชียวเข้าอย่าเถมันทุกข์ขัดกิิยาหรือมไม่ใช่ไม่ใช่ทุกข์ขัดจิตญาแต่ที่เลลบากหรือมม่ใช่ลำบากขึ้นไหวอยู่บ่อยๆลางงานก็เนื่อหัวใจไหลต้นคอจะดีต้นคอไหลจะดหัวใจก็จะดีมันเป็นั มัน จ, จะใส่ใจความรู้จักตัวเข้าไปนะมันหลงรู้เนี่ยตรงเข้าไปเลยตรงตรงตรงเชื่อรูปถูกกับรูปคือความหลงความโกรธความทุกข์เป็นอกุศลเป็นรากนู่นของความชั่วทั้งหลายมันก็ถอนลาภ เหมือนเชื้อโรกเขาไปถูกลูกหมุนยาไปถูกลูกมร้องจ่ า, ายเพื่ออะไก็เอาตัวเองแบบเ็เสนก้อนเมื่อไงตับก็อนเมื่อไงโคมันเบียดหลอดลสมสนหายใจไม่ได้ต้องมอาเสียท่อสอดลงไปถึงปอดเรามารูสึกหายใจตาหมูก็มีท่อปากก็มีท่อ มันเป็นเคื่องถูกต้องก็งจำแนกทอดจอดลงไปถึงปอดลงไม่มีทางออกมันต้องอากาศดินน้าหลบฝในชีวิตต่อเนี่ยไม่มีอากาศเข้าไปในปอดมันก็หวัวใจได้เต้นไม่ได้ตายไป กิโมเข็กระไปตัวใหม่ให้ก้อนเนื้อในขอมันลดลงเพื่อให้หายใฉยได้ไม่ถ้าพระเจ้าปฏิเสธวิธีการรักษาขึงนได้น อ, อกจากให้กิโมให้หลอมท่อโดย ด, ด, ด, ด, ด่วนให้กิโมรดร้อนหลอมฝาถอดท่อออกจากปากหายใฉยได้มันถูกเชียอโรค หลงรู้จุดตัวหลงเป็นเทโลรู้จุตัวเป็นโอสดจักัตวะพุทธรัตนังโอสถธรรมโอสถพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังสังฆรัตนังปฏิบัติธรรตามธรรตามธรรมะธรรตามไม่ตามคุณทัปรู้ท หลมรู้ตื่นรู้ความหลไม่ได้ตื่นีหลอกไตื่นอะไรนะตื่นในความหลน่นกันมันกมีทีจะได้ตื่นมนะันไม่ตื่นความหลงจะแลวตื่นก็เป็นร่าว่านี่อุนหของกรราไม่ใช่หลวงเทียนร้อยปีเลยแล้หลวงพ่เทียนนะี่ะเป็นรุ่มสมัยัต่พวกเรา ยังเห็นยังได้พูดได้คุยกันยังได้ทำตามยังได้ยนินเสียงบอกวราน้องอยู่ในกระจกยังลองเท่าเดนแ ท, ท๊กแลงพ่ um er. อเทียนเสียงลองเท่าเราก็จําได้นะไม่ยังไม่เห็นหนะ้าเราอยู่ในห้องอยังลองเท่าททแาท๊บแท๊บเราตอนนั้นแซงหล่อเทียนถาม กำร้อยู่หระกำร้องแขนอยู่ก็ก็ น, น, อนอนก็ถ้า <c> ก <oughs> นะงร้องแขนอยู่ถ้าปกติก็ไม่กล้าไม่กล้าถามเรื่องว่านอนยังไม่นอนเห็นข้างนอกไหมไม่เห็นหลวงพ่อทำไมจะเห็นข้างนอกต้องเปิดประตูออก เปิดออมาเสิเระตูออกองเดูเห็นกันนอกไหมเห็นเห็นข้างในไหมเห็นบติธรรมตทำอย่างนี้นะให้เห็นข้างนอกเห็นข้างในเลยเราเราไม่รู้เรนอกผมองไปเห็นต้นหม่าข้ก็เห็นที่นอนเห็นกะติ ให้หม่ข้างนอกข้างในยังได้ยินเสียงพูดแบบนี้ยังเห็นยังบอกกันเยนอะแยะบางทีเสียงน้องข้าตกอ่าเนี่เยเมื่อไหร่น้องข้างมากนะมองไม่เห็นจะตกทำอะไรกัดดานเพื่อนเปียบหมดเลยเออแบบมึงกัน ปีสองปีมานี้สามปีมาเองพื้นฉลาไม่เห็นน้มข้างหยดลงมาเลยโลกมันร้อนจริงๆนะชีวิตนะเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะตอนเกียรไมันกรติเราเดี๋ยวนี้ไม่เห็นสักน้อยเลยเกิดอะไรขึ้นก็าไม่ทราบฮะเร็วๆเข้าปฏิวัติทางเขาเดี๋ยวมาจงหมดโอกาสงราเราจะไปประมาณ ลบกัจมดเลนะฮ <c oughs> ะฮะฮะฮะฮะฮะนอม า, งางไงไปเลไปเขียดช้งางไทยอดดแลตัวเองเนี่ ย, น ะ, ย น, น, น, นะันเียนจริงๆนกน้าตกลง ป, ป, ป้อมใส่ไปน้นร่างตกลงใส่ไป <c oughs> ไม้ใปไม้มันหยดลงมาเสกไปตองข้างล่างแขงงนดัง ป, ป๊อ ป, ป เอาเสียงนข้นางเป็นนาฬิกาไม่มีนาฬิกาแบบนี้นะสมัยก่อนมุ้นเอานาข้างเป็นเวลาแสดงว่าทีสสลุกแเขี่ยน้ำข้างโน้องวมันหาาานาจัดโชแนข้นางกรกดดปกป๊อกป๊อดีก็เสียงเพื่อนอยู่ใกล้กันเช่นกะตีไม่ชีผู้หญิงน่ยไม่เกี่ยวเยเนด้เสียงโดิยังคง แสงเทียนสองสลวสลวประมาณ น, น้ำข้างเหมือนเหงื่อห้อยแสงเทียนไปว่าไม่มีนะตะเกียงน้ำมันกาลน้ำมันโซลา่าน้ำันกาลก็ไม่ใช่แพงซื้อโซล่ามาใช้กันตามบ้านเนี่ยจมูกเป็นรูมเลยใช้ำมนโซล่าอันนี้ไาเท่านั้นเสร็จจมูกเลยหายใจเข้าก็ กว่าตะเกียงน่งมนามาสอลาเหมืนกันทั้งสลาและชาววัด mm hmm. เออเาเวลานันเตยน้าคราบก็เลยพูดออกนอกไปเนี่ยหลวงพ่อเทียนมีสมัยน mm ั้นแตายังไม่ลืมยังประทับใจของเราอยู่ไม่มีวันลืมชีวิตของเราได้ได้เป็นอย่างนี้ได้เกณฑ์มาเพราะหลวงพ่เทยียน ดังพกเห็นสมัยอยู่ถึงเขาแบบนี้ก็ต้อถูกกับคนเจ้าสอนพู้แข่งเข้าเกินนดเกิดหลงหลงลูกขึ้นมามันว่าถูกช่วยได้เวลานี่ว้ยไหนคิดถึงลูกเ ม, มียนะทิ้งลูกมาบวชทิ้งเมียมาบวชอปซื้อไปขับมาขับมาซื้อไปเทเลกลาบมาร้อยข้างถนนก็มาร้อยข้างถนน งอคิดไปหลังงานก็กลับมาลูการที่มันคิดจะไปืองความคิดกลับมาดถูกนิมิตอาศัยได้โดยใจงกรมบ้างบากหอยใจว่าหายตั้งวางมือลงยืดตัวใหม่ัวนนี่ต้องทงท่าใหม่ฮนะวันทำงาจะคงลงคงลงมันหนักนะก็เหยียดขึ้นใหมวางไปหน้าใหม่ cháy mày, thấy m y cái v bị nó h này, v tao tốn k h v n h g này, hại trời, quá cháy mày, ông mày, n g v à y ô mày r ồ c i mày trong t r n g tốn mày r i đấy, m y chơi i l n g l o n lóng có n h á l n g l n g rồi, mấy tần t ầ t h ể h ò a căng h n g แล้ววะาโบราณต่อดเท่าเราจมงง้อหน่ะเอาจำมึงหมัน้องเพื่นชิวๆ่างวะไม่เอาเลยจำมึงง้องสมมุหน้ามันก่งจุดๆโอ้ก่อนมาถ่านนี่ดีจริงๆไม่สอนอย่างอื่นไปจอน้างสัก8ชั่วโมงโอ้ไปไม่วแล้วเราจะรู้ตื่นรู้เลย เอาไม่มิดออกกายไ่ลามาปุกให้ตื่นผมมันรู้รู้หลงไม่ต้องอาศั่มันเนยนอนตายลงไปบา้านว่าจะมาสร้างจะมาไม่เป็นอะไรเหตุที่จะเป็นอะไรมันก็มาทำอย่า น, นี้ไปตั้งต้นจากไหนป้ายเ น, น, น, นให้สรัทธาการกระทำศรัทธารู้หวนหลงศรัทธาต่อความรู้ ความติฐาต่อความโลภใชได้แต่พิจารณาเปลียคาโลภสุด่ิ่งใชยิ่งมากย่ใย่เหลเป็นเสีเป็นสมาธิเป็นปัญญาไปเลยเ ป, ย, เปยเป็นญานเป็นฌานจับรู้งายไปเลยง่ที่จะไม่ตกางาที่จะหลงแต่วนี่แเท่ามหาเสี้ยเลยเอาเสียก็หลงโกรธเอาเสียทุกข์เอาเสียรักเอ า, เอาพอใจเอาเลย ใบอกแสดงนะนะงเพรามันเก็บนะมันร้อนวิชานะบนเขามานร้อนมิชามากๆนะไม่มีเลยในะโลกเรียกเล่าคนนะนการเมตฐาน <c oughs> ไม่มีการธรรมดื่นที่นี่ถ้าใครมาธรรมื่นก็ผิดพลาดนะที่นี่ต้องกรรารการมตฐานกันให้ดูแลการเป็นพี่เป็นน้อง ก, การช่วยกัน ให้เม่กาปกะดังเมตตาเปกขาอมองไรทุกอย่างให้มันล่าฟื้นทำ ม, มาเกิดง่ายกันเลือดทิรักที่ช้างเกิดจะยอดหัวแห้งงั้ น, นปูข้าวใส่ดินที่แห้งแล้วยอมะมางอกง ม, ะ ม, ะ ม, ะมให้มีร่างจายมีอร่อยเป็นสิ่งล่อมในชีวิต่ราให้ดีทีมองอาทุกอย่างให้ความแเมีเป็นเพื่อน แง่ดีทำไมส่วนเลี้วบ้างเจ้าหมอเขาเจ้าเหเกาส่วนดีเขาไม่อยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างเนี่ยน่าดูส่วนที่ชั่วจะไปรู้ของเขาเลยหาคนมีโดยเฉนเดียวจะมเที่ยวค้นหาเพื่อนเลยเหมือนเที่ยวหาหมดเต่าตายกับลอยผู้ใกล้เคยมองแต่ดีในคนจินอาศัยอาจารย์พุทธาพดไปสมควรจะรักษาซะ โอเค